เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับความมหาศันร์ในประเทศไทยความมหาศักรย์แห่งปัญญาของหลวงพ่อชาผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องเดินอย่างรีบร้อนมาหาหลวงพ่อชาที่กุฏิ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 หลวงพ่อสั่งให้สามเรนสององติดไฟต้มน้ำทันทีแล้วสั่งให้สามเรนอีกสององขุดหลุมใหญ่ๆ ใ, ใ, ใกล้กุฏิของท่านไม่มีสามเรนองค์ใดรู้ว่าท่านได้ทำไปเพื่ออะไรชายชาวบ้านร่างกํายำสี่คนซึ่งล้วนจะเป็นชาวนาอีสาน ที่ทอรพุพาผู้หญิงที่กำลังดิ้นเราๆเข้ามาอย่างยากเย็นขณะที่เขาลากเธอเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอตะโกนร้องถ่อยคําลามกต่างาหลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วทัดตะโกนสั่งลูกศิษย์ว่าอุดด เ, เร็วเข้า ้อาหมงน้ำให้มันเดือเร็วขุวดลุ่มใหญ่ๆเปิมน้ำเยอะๆทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ใต้ทุนกุฏิหลวงพอง่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท่านกำลังจะทำอะไร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 กดลุมเสร็จหรือยังเร็วๆเข้าน้ำเดือดหรือยังเร่งไปหน่อยหลวงพ่อตะโกนตกเสียงแผดร้องของจิงคนนั้นเราจะจับตัวโยนลงหลุมเอาน้ำร้อนร่าแล้วฝังไว้เลยเราจึงจัดไล่ผีมาได้เอากดเร็ว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 เทน้ำเดือดจนท่วมร่างเธอและฝังเธอเสียแล้วเขาก็ยอมให้ท่านทำเสร็จตัวเธอเองก็คงคิดเช่นเดียวกันเพราะเธอเริ่มสงบลง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 ให้อามณ์รักตัวกลัวตายและการกลัวความเจ็บของเธอเองขับไล่เจ้าผีร้ายที่สิงเธอออกไปได้นี่คือปัญญาการย่างรู้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่มีการวางแผนรู้เฉพาะการ